คำว่าพระองค์เสด็จเป็นไปในธรรมนี้เนี่ยนะครัว่าทรงเป็นไปในธรรมนี้ก็คือปวัตตาพะควาอิทะธรรมเมความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมในพระศาสนานี้อธิบายว่าพระองค์ประกาศพระธรรมแปดหมืสี่พันพระธรร ม, มขันนั่นเองเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระจุนท้าวาจุนทะเธอจงช่วยปูผ้าสังคาติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเราจักนอน อาและพระอนุนไปไหนท่านบอกว่าพระอนุนเนี่ยตอนนั้นท่านโมแต่ซักผ้าซักผ้าแล้วก็บิดผ้าส่วนพระจุนทธาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยชายให้พระจุนทธาเนี่ยพับผ้าเป็นสี่ชั้นเพื่อโปรง่งจับประทับนอนพระจุนทธาผู้มีตนอันอบรมแล้วคําว่ามีตนอันอบรมแล้วเนี่ยหมายคำว่าอบรมด้วยอะไรตอนแรกท่านก็ตั้งความปรารถนามาตลอดเสีสงไขแสนกับ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 หลังจากพระนรนไปบิดผ้าตากผ้าอะไรบ็ดเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีรพระภาคพระองค์ก็รับสั่งกับท่านท่าอนรว่าดูก่อนอนรนบางทีใครใครจะทําความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกัมมารบุตรเดี๋ยวคนอื่นนี่ก็จะไปตําเนธท่านพระเออขออภัยตำเนินายจุนทะว่าดูก่อนจุนทะไม่เป็นลาภของท่านท่านไม่ได้ดีแล้วคือท่านเนี่ยทำไม่ดีพระตถาคตได้บริโภคบิณฑบาต ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จปริ น, นิพานยังนี้คือต้องมีคนว่าอยู่แล้วพระองค์รู้ว่าต้องมีคนว่าหมายว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสพุทธพจน์อันนี้ออกไปเนี่ยถ้าจุนทารับเละเลยเนะคนก็จะไปตําหนิพระท่านจุนท่าว่าลาบคือผลของบุญของท่านเนี่ยไม่ใช่แล้วไอ้ที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้บุญรอกอนะอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็แหมเสียหายมากอานะ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 เรียกว่าบุญที่ทํากับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจดูก่อนอานอน์เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทักรรมมารบดเสียด้วยประการชนีนีเสร็จ แ, แล้วพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็แป่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้ผู้ให้ด้วยเจตนารมณ์ที่ดีทำํำด้วยวัตถุที่อย่างดีเยี่ยมไปถวายบุญเจริญแก่ผู้นั้นแน่นอน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 ก็ก่อเวรให้ตัวเองอายุสั้นต่อไปอาทินนาทาน ก, ก่อเวรให้ตัวเองเนี่ยเสียโภกท้ศัพย์เป็นต้นการเมศสุมิจฉาจางก็ก่อเวรให้ตัวเองเป็นที่รังเกียจและขยะขแขยงของของคนทั่วไปถ้ามุสาวะก็ก่อเวรให้ถูกหลอกเป็นประจำถ้าดื่มสุราก็ก่อเวรให้สติปัญญานี้ลดน้อยถอยลงไปเสื่อมคุณภาพทางปัญญาเป็นต้นมันคนที่ผิดศีลทั้งหลายก็เรียกว่าก่อเวรแต่ถ้าสํารวม ปิดห้ามตัดใจจากเวรทั้งห้าเหล่านั้นก็ไม่ก่อเวรเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนเช่นเป็นอายุก็ยืนยาวนานพวกทัพศึกก็เจริญเป็นที่รักของประชุมชนและต่อไปได้รับคำสัตย์คำจริงและสติปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไว้พริบที่ดีพันพระองค์บอกว่าเวรย่อมไม่ก่อแก่ผู้สารวมปิด ป, ปิดบาปเนี่ยนะปิดด้วยศีลสังวรเป็นต้น ส่วนคนฉลาดเทียวย่อมละกรรมอัลามกคนฉลาดคือคนที่เจริญอริยมรรคสาเร็จเป็นะ า, ารหันเนี่ยนะย่อมละกรรมที่เป็นบาปที่จะนำไปสู่ภพใหม่ทั้งหมดเขาปรินิพานแล้วเพราะราคะโทสะโมหะสิ้นไปนันผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะก็ปรินิพานแล้วก็ดับทุกได้อย่างสิ้นเชิง้าอธิบายเพิ่มเติมว่า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 สเสวยอาหารของนายอของนางสุชาดา น, นั้นดับเหตุให้เกิดวัตทะทุกเสวยอาหารของนายจุนท้าก็ดับวัตททุกเนี่ยนะคือดับวิบากและกรรมชรูปอันนี้เรียกว่าเสมอกันโดยการปรินิพานอย่างที่สองเหตุผลที่สองบอกว่าเสมอกันโดยการเข้าสมาบัติว่าแรกตรัรสรูพ้พระองค์เข้าสมาบัติเข้าใดตอนที่พระ อ, องค์จับปรินิพานก็เข้าสมาบัติ เท่านั้นกล่าวว่าในวันที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เข้าสมาบัตินับได้สองล้านสี่แสนโกดโอ้เยอะมากเลยนะท้าวคิดยังไงก็คิดเหรอคำนวณกับกสินสิบคานวณกับฌานสี่อันนะคำนวณกั บ, านนกบ อ, อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งฌานทั้งโดยสมถะและนิยต่างๆของวิปัสสนาซึ่งพระองค์ไคร้ควรอย่างละเอียดถี่ท้วนได้สองล้านสี่แสนโกดสมาบัติเนี่ยนะในตอนแรกตรัสรู้พระองค์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 ปราบเลิ่มใจตามระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจกล่าวว่าซึ่งนางสุชาดาหลังจากที่ทราบว่าผู้ที่เราเห็นแล้วเอาอาหารไปถวายนั้นไม่ใช่รุกคเทวดาแต่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นฉันบินทบาทนั้นแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณฉันอาหารบินทบาทนี้แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ดำรงอยู่ได้ด้วยบินทบาทของเราตั้งเจ็ดสัปดาห์ สี่สิบเก้าวันพระองค์ไม่ได้ฉันอีกเลยเนี่ยนะสี่สิบเก้าวันไม่ได้ฉันอีกเลยนะี่อาหารของเรามื้อเดียวนะโอ้เราได้บุญมากดีใจมากนะ่ยนะเมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นก็ระลึกว่าเป็นลาบของเราเนาะเป็นลาบของเราเนาะก็เกิดตี ต, ติโสมนัสไม่ใช่ดีใจครั้งเดียวนะสำนวนว่าดีใจตลอดชาติอย่างนั้นนะนะเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจ อันนั้นึกถึงหนึ่งครั้งก็ดีใจหนึ่งครั้งแต่บวันไหนเธอเหนื่อยก็นึกถึงตรงนี้ก็หายเหนื่อยแล้วเหมนก็มีความสุขนะอ่ อ, อนเพลียทางใจเมื่อไหร่ก็เราลึกถึงว่าทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะทําบุญกับผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวรรค์วิมุตติสุขตั้งเ็สัปดาห์เนี่ยนะดีใจมากฝ่ายนายจุนท่าละ่ะทําไมนายนจุนท่าเราลึกถึงแล้วดีใจก็บอกว่าบินทบาทครั้งสุดท้ายที่เราถวายเราเนี่ยได้ยอดแห่งธรรมแลว้ว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 บุญเหล่านั้นเราก็ได้ทําไว้แล้วบุญเหล่านั้นเราก็ทําไว้แล้วโดยเฉพาะทําซึ่งผู้ที่เป็นนาบุญคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยิ่งปราบปลื้มปีติแล้สมงนะก็ดีใจมากว่าได้ทํากับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาทําบุญในผู้ที่สั่งสมบุญมาในระยะเวลาอันเนิ่นนานเนี่ยนะก็ดีใจปราบปลื่มใจมันบุญก็เจริญขึ้นยิ่งระลึกถึงอภิราประสจตนาก็ยิ่งมี กำลังมากเท่านั้นเรียกว่าระลึกถึงในวันหลังเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งจารณานุสติส่วนบอกว่าผู้ที่รักษาศีลห้าก็ไม่ก่อเวรหรือผู้ที่รักษาศีลดีสํารวมอยู่ด้วยจตุปาริสุทธิศินเป็นต้นก็พ้นจากเวรมันคนที่มีเวร น, นะถ้ากายทุจเรตนั่นแหละก่อเวรวจีทุจเรตนั่นแหละก่อเวรคําว่าทุจริตคือทําไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุให้ ก่อเวนถ้าทำดีพูดดีไอ้คำว่าดีหมายว่าทาถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดไม่เลอะเทอะไม่เลอะเลือนนี่เรียกว่าทาดีไอ้การทำดีนี่ไม่ก่อเรื่องไม่ก่อปัญหาเนี่ยนะถ้าแต่เวนไปทำชั่วด้วยกายวาจาเมื่อไหร่ก็ก่อเรื่องก่อปัญหาตามรา ม, มาจะนั่งไม่เป็นสุขนั่นแหละส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายกุสโลจะภาชาหติป่าตะกังผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา คืออยมรรคเนี่ยก็จะละอกุสรธรรมอัลลา ม, มกเช่นสมบูรณ์ด้วยโสดาปติมรรคละสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาศีละพตตปรา ม, มาต ร, ริอิจชาริสยาเนี่ยนะละอกุศลรธรรมเหล่าใดที่นำไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกทั้งหมดหรือว่าละสกาธาคามิมรรคก็ทำบาปคือราทัโทสะโมหะให้เบาบางถ้าเป็นธานาคามีก็ละบาปคือ การมาราคาและปฏิฆาได้อย่างเด็ดขาดถ้าผ้าหารก็กำจัดอากุศลธรรมได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดดังที่กล่าวมาแล้วนี้แหละดับราคะโทสะและโมหะบทว่าราคะโทสะโมหะขยานนิ้ผู้โตผู้ฉลาดนั้นละอากุศลธรรมอัลลามกนี้แล้วนิพพานด้วยกิเลสนิพพาน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 จากนั้นได้อีกที่ไหนเพราะมื้อนั้นเป็นมื้อสุดท้ายหลังจากนั้นพระองค์จะไม่ฉันอาหารของผู้ใดอีกแล้วเว้นไว้แต่ฉันน้ําฉันใดเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ฉันอีกแล้วเพราใครจะไปหาหนาบุญดีขนาดนี้ตลอดทั่วพุทธันดร น, นี้โน้นต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละจึงจะได้ทําอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเถอะมันก็ดีใจปลื้มใจกับบุญของนาย